ภาวนาทำไปเรื่อยๆ อ, อย่าท้อถอยนะรางวัลของการภาวนานะรอเราอยู่ข้างหน้าถ้าเราทำไปในโลกคนเขาแสวงหาความสุขแต่มันไม่ได้เต็มมันไม่อิ่มหรอกนะความสุขในโลก มันขาดมันพร่องอยู่ตลอดเวลา น, นี้หลวงพ่อพูดได้เต็มปากเพราะหลวงพ่อเป็นคลาวาสอยู่นานก็ถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตคลาวาสความสุขอย่างที่คลาวาสมีหนะลวงพ่อรู้จักแต่มันก็งั้นๆแหละ มันเหมือนอยาเสพติดจินเข้าไปฉีดเข้าไปมดมไปสบายใจอยู่ประเดี๋ยวประเดาวเดี๋ยวก็ทุกข์ใหม่เดี๋ยวก็หิวใจไม่มีความสุขความสุขที่แท้จริงไม่มีในโลกเรามาภาวนานะ ไม่ได้มุ่งไปหาความสุขแต่และมุ่งเรียนรู้ตัวทุกข์ตั้งเป้าให้ถูกนะถ้าพอนามุ่งไปที่ความสุขมันจะไม่เจอหรอกความสุขมันเป็นภาพดวงตาเมื่อไหร่ถูกน้อยมันก็รู้สึกสุขทุกข์มากขึ้นมันรู้สึกทุกข์นะ แต่ถ้าเราภาวนาตั้งเป้าให้ถูกเราจะเรียนรู้ทุกข์เมื่อเรียนรู้ทุกข์ต่อไปจิตมันก็วางทุกข์ลงไปปล่อยวางทุกข์จิตก็พ้นจากทุกข์เมื่อจิตพ้นทุกข์แล้วเราไม่ต้องพูดถึงคำว่าสุขหรอกมันเป็นของแถมแค่ไม่ทุกข์มันก็สุขแล้วละ่ะแต่ถ้ามุ่งไปที่ตัวสุขมันจะยิ่งอยาก ความสุขยังไม่มีอยากให้มีความสุขมีอยู่ก็อยากให้อยู่ตลอดไปแล้วในความเป็นจริงเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกละมันสุขได้ตลอดไม่ได้หรอกใจมันยงมีตัณหาอยู่เวลาใจมันมีตัณหามีความอยากขึ้นมาใจจะดิ้นรนใจก็ทุกข์ขึ้นมาอีก งนในโลกเรามุ่งตอบสนองตัณหาไปเรื่อยๆอยากก็พยายามสนองความอยากไปเรื่อยๆหวังว่าสนองความอยากได้แล้วจะมีความสุขความสุขอยู่แว บ, บเดียวก็เดี๋ยวก็อยากอย่างอื่นต่อไปอีกแล้วงั้นความสุขในโลกมันไม่มีวันเต็มไม่มีวันอิ่มเนาะมาเรียนรู้ทุก วันใดไม่ทุกวันนั้นแหละเป็นบร ม, มสุขวิธีรู้ทุกนะสิ่งที่เรียกว่าทุกคือรูปนามกายใจอย่าแปลมั่วซั่วนะทุกที่เราจะเรียนเนี่ยคือตัวรูปตัวนามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสังขิตเตนะปัญจุ ป, ปาทานักขันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้าคือตัวทุก ขันนั่นเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นเนะี่ยคือขันที่พวกเรามีนี่แหละเรียกว่าอุปาทานขันขันมีสองส่วนนะอุปาทานขันกับขันที่ไม่ใช่อุปาทานขันอุปาทานขันก็ขันที่พวกเรามีนี่แหละรูปตัวกายเราเนี่ยเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ สัญญาความจำได้ความหมายรู้หมายรู้ก็มีหมายรู้ถูกหมายรู้ผิดถ้าหมายรู้ถูกก็เห็นไตรลักษ์หมายรู้ไตรลักษ์หมายรู้ผิดก็อัปปลักษ์กับข้างกัน <laughs> มีรูปเวทนาคือความสุขทุกข์สัญญาความจำได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ว วิญญาณคือความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือจิตนานาชนิดนั่นเองสิ่งเหล่านี้เป็นอุปาทานขันขันที่ถูกยึดมั่นสนะิ่งที่ไม่ใช่อุปาทานขันคือพวกโลคุตรจิตกับเจตสิกที่เกิดร่วมกับโลคุตรจิตนะพวกนี้ไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นนอกได้ขันอื่นๆนี่มันยึดได้ เงสิ่งที่เรียกว่าอุปท า, านขันนี่คือตัวทุกข์นั่นบอกงี้เป็นตัวทุกข์นั่นบอกสังคีตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปโดยย่อโดยประมวลคําสอนลงมาขันทั้งห้าอุปท า, านขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์นหน้าที่ต่อทุกข์เนี่ยไม่ใช่ละ คนในโลกนี้มุ่งละทุกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละทุกท่านสอนให้รู้ทุกอันแรกท่านนิยามก่อนสิ่งที่เรียกว่าทุกก็คือรูปนามกายใจนี่เองขันห้านี่เองหน้าที่ต่อทุกไม่ใช่การละแต่คือการรู้พอรู้ทุกอย่างที่มันเป็นมันเห็นความจริงอย่างท่องแท้ร่างกายนี่คือตัวทุกจิตใจนี่คือตัวทุก เมื่อไรเห็นทุกข์แจมแจ้งจิตมันจะคลายความยึดถือเห็นทุกข์ก็เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นใจเห็นรูปนามตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติคือการที่จิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกเล่นกายใจให้มา ชาติก็สิ้นแล้วพรหมจารย์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมทำเสร็จแล้วกิจที่ต้องทำเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วเป็นงานที่มีวันสิ้นสุดนะงานในโลกไม่มีวันสิ้นสุดหรอกอย่างวันนี้หุงข้าวกินผู้นี้ก็ต้องหากินอีกนะไม่มีวันสิ้นสุดวันนี้อาบน้ำพรุ่งนี้ก็ไปอาบอีกอะไรเงี้ยไม่มีวันสิ้นสุดซื้อบ้านมาก็ต้องซ่อมบ้านนะไม่มีวันสิ้นสุด งานในโลกไม่มีวันสิ้นสุดนะแต่การรู้ทุกรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยจะนําไปสู่ความสิ้นสุดในภาระการงานทางจิตใจของเรารู้ทุกข์แล้วมัจะได้อะไรขึ้นมารู้ทุกข์แล้วมัจะเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ถ้ากายเป็นทุกข์ใจมันทุกข์เนี่ยโลกทั้งโลกหาความสุขไม่ได้ละ อย่างถ้าเราเห็นนะว่าจิตคือตัวทุกข์นะจิตนี้จะไปเกิดในภพในภูมิใดๆมันก็ทุกข์ทั้งหมดแหละงั้นมันไม่มีที่ที่จะย่างเท้าลงไปแล้วมีความสุขได้เลยอย่างถ้าเราเห็นกายเป็นทุกข์ใช่ไหมไปอยู่ตรงไหนอยู่ประเทศไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นแหลนะเห็นจิตเป็นทุกขนะ์นะกระทั่งไปอยู่ในพรหมโลก เป็นลมไม่มีร่างกายมันก็ยังทุกข์อีกนพ่ถ้าเห็นความจริงนะว่ากายนี้คือทุกข์ล้วนๆจิตคือทุกข์ล้วนๆัญหาจะดับความอยากจะดับตัญหาคือความอยากทั้งหลายอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางร่างกายอยากได้อารมณ์ทางใจที่พอใจ ถ้าเราไปดูจริงๆนะอารมณ์ทั้งหลายที่เราปรารถนามาเนี่ยเราหวังว่าได้อารมณ์อย่างนี้มาแล้วจะมีความสุขได้อารมณ์อย่างนี้แล้วจะไม่ทุกข์งั้นจริงๆที่ดิ้นรนสแสวงหาอารมณ์ทั้งหลายอยู่นั้นะก็มุ่งไปหาความสุขนั่นแหละอยากไปหาของอร่อยกินก็หวังว่าจะมีความสุขอยากจะฟังเพลงเพลาะก็หนะวังว่าจะมีความสุขนะอยากจะมีเมียสวยๆก็หวังว่าจะมีความสุข อยากจะมีโรคจีเนสฉลาดนะก็จะได้มีความสุขลูกโง่แล้วกลุ้มใจนะี่ยอยากรวยก็เพราะว่าอยากมีความสุขเห็นไหมแกนกลางของความอยากเรานี่อยากได้ความสุขนั่นแหละอยากจะไม่ทุกข์นั้นใจเนี่ยหิวความสุขดิ้นไปตลอดเวลาดิ้นเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มได้แค่นี้ก็จะเอาอีกจะเอามากขึ้นมากขึ้นใช่ไหม ทีแรกแค่พอมีกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็ดีถมไปแล้วพอมีกินล้วก็อยากรวยมีล้านหนึ่งก็อยากได้สิบล้านอยากได้ร้อยล้านอยากได้หมื่นล้านมันได้มื่นล้านอยากเป็นนายกอยากเป็นประธานาธิบดีได้เป็นประธานาธิบดีอยากเป็นเจ้าโลกอีกแล้วะยังประเทศใหญ่ๆความอยากความหิวของมันเนี้ยไม่มีวันสิ้นสุดหรอก เพราะฉะนั้นมันไม่มีวันพ้นจากทุกได้เพราะพระพุทธเจ้าเลยสอนให้เราย้อนกลับมาดูกายของตัวเองมาดูใจของตัวเองถ้าเราเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยไม่ใช่มีแต่ทุกกะสุขทุกวันนี้เราเห็นว่าร่างกายเป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างอันนี้เป็นความเห็นผิดนะตรงที่สุขมันคือทุกน้อยทุกน้อยลงมัมีความสุขอย่างถ้าทุกวันนีย ตั้งแต่เกิดนะทุกวันต้องถูกตีสิบทีถูกเขี่ยนสิบครั้งอะไรเงี้ยถ้าถูกเขี่ยนสิบเอ็ดครั้งเรารู้สึกทุกข์มากถ้าถูกเขี่ยนเก้าครั้งเรารู้สึกมีความสุขลน่นนความสุขความทุกข์ที่เรารู้จักเนี่ยเป็นของสัมผัสนะเกิดจากความรู้สึกที่เปรียบเทียบเท่านั้นเองในความเป็นจริงแล้วร่างกายนี้ทุกล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย ถ้าเรามีสติอยู่ในกายเราก็จะเห็นนะอย่างเรานั่งอยู่ใช่หไหมนึกว่าสบายเหรอบางคนซื้อกล้ี้ตวงเป็นแสนมานั่งนะึกว่าจะสบายเลยไม่สบายไม่สบายนั่งไปเดียวเดียวก็ทุกข์ละซื้อเตียงอย่างดีมานอนนอนเดียวก็เมื่อยพลิกซ้ายพลิกขวาเนความทุกข์มันตามขยี้อยู่ตลอดเวลานะ จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถก็เพื่อหนีทุกข์นั่งนานๆานมันทุกข์ก็ต้องลงไปนอนหรือลุกขึ้นยืนหรือลุกขึ้นเดินเดินนานๆานานก็ทุกข์ใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนมานั่งเปลี่ยนมานอนอะไรเงี้ยยืนานานๆานก็ทุกข์งั้นในความเป็นจริงร่างกายเนี่ยทุกข์อยู่ในทุกๆอิริยาบถแต่เราละเลยเราไม่เคยรู้ไม่เคยสนใจที่จะเรียนรู้มัน ไม่ยอมรู้ทุกข์ไม่ยอมรู้กายรู้ใจของตัวเองเลยมองไม่เห็นว่ากายนี้คือตัวทุกข์ถ้าดูจิตก็จะเห็นนะจิตคือตัวทุกข์เหมือนกันอย่างเราก็เห็นว่าจิตเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างพอเห็นผิดแบบนี้นะมันมีทางเลือกแล้วมีสุขกับทุกข์มันก็จะเกิดการดิ้นรนสแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์แต่ถ้าสติปัญญามันแก่กล้าจริงนะมันเห็ น, นกายนี้ทุกข์ล้วน แต่ว่ามีทุกมากกับทุกน้อยจิตนี้ทุกล้วนๆมีทุกมากกับทุกน้อยไม่ใช่มีไม่ทุกนะไม่ใช่มีสุขพอเห็นความจริงอย่างนี้มันจะน้าเบื่อหน่ายนะกายนี้เป็นของหน้าเบื่อหน่ายไม่ใช่ของน่ารักน่าหวงแหนจิตนี้ก็เป็นของหน้าเบื่อหน่ายไม่ใช่ของน่ารักน่าหวงแหนอีกต่อไปมันคือตัวทุกนะเราเห็นแล้วใจมันจะค่อยๆคลายความยึดถือออก ร่างกายมันแก่ตัวทุกข์มันแก่เราไปเดือดร้อนอะไรร่างกายมันเจ็บไข้ตัวทุกข์มันเจ็บไข้เราไปเดือดร้อนอะไรร่างกายมันตายหรือตัวทุกข์มันตายเราไปเดือดร้อนอะไรนะเงั้นใจมันห้าวหันนะไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายเนียใจห้าวหารใจไม่ทุกข์ไปด้วยกายแหละมันทุกข์แต่ใจมันไม่มีความทุกข์ไปด้วยะหรือเรามาภาวนาเราเห็นเลยความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะ ในไอ้ที่โง่เง่ า, งาดิ้นรนสแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์มันโง่แท้ๆเลยความสุขก็ไม่เที่ยงไปหามันทําไมความทุกข์ก็ไม่เที่ยงไปเกลียดมันทําไมทุกคราวที่รักทุกคราวที่เกลียดใจก็ดิ้นรนทุกคราวที่ใจดิ้นรนใจจะมีความทุกข์ทันทีเลยเน <ะ S 2> <ส>ี่ยเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ทุกข์คือรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจสุดท้ายแล้วเราจะสิ้นตัณหาสิ้นความอยาก ซึ้นความดิน้นรนของใจความดิน้นรนของใจคือคําว่าพบเคยได้ยินไหมสิ้นชาติสิ้นพบพูดไปอย่างนั้นหน่อไม่รู้ว่าชาติคืออะไรพบคืออะไรชาติคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่จิตมันจะไปหยิบตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาหยิบทีละอนันเอามาใช้ทีระอนันไม่หยิบมาใช้ทีลสายหลายอันหรอกพบก็คือความดิน้นรนของใจเองความปรุงแต่งดิน้นรน ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างนะปรุงว่างๆบ้างอนะไรเนี่ยแล้วแต่จะปรุงปรุงไปในกามบ้างปรุงไปในรูปบ้างปรุงไปในอรูปบ้างก็นะความดินน้นรนตัวเนี้ยที่เรียกว่าพบใจมันดิน้นะถ้ามันเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ความอยากที่จะให้กายให้ใจไม่ทุกข์จะไม่เกิดขึ้น ความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นเงั้นเราจะสิ้นตัณหาด้วยการรู้ทุกข์เป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์มากเลยนะศาสตร์ของพระพุทธเจ้าคนอื่นเน่เขาหาวิธีแก้ทุกข์บางคนก็เห็นนะว่ามีความอยากแล้วมีความทุกข์นี่พวกนิชรัตก็าหาทางทำลายความอยากด้วยการแกล้งมัน อยากกินก็ไม่กินอยากนอนก็ไม่นอนนั้นฉลาดครึ่งเดียวรู้ว่าความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แต่ไม่รู้วิธีจัดการที่จะให้หายอยากก็ใช้วิธีต่อต้านอีกพวกหนึง่งลาทุกข์ด้วยกันตอบสนองความอยากอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากเที่ยวก็เที่ย ว, ยวอยากอะไรก็สนองไปเรื่อยทุกคราวที่สนองมันจะหายอยากและรู้สึกสบาย ในเดี๋ยวความทุกข์ก็จะเกิดอีกไม่รู้จักจบจักสิ้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์แล้วเราจะละความอยากได้อัตโนมัติพอเรารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจเรารู้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขเนะี่ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันไร้เดียงสามันฉลาดแล้วมันรู้ว่า กายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ที่ไปอยากให้มันไม่ทุกข์นี่โง่นะ่ะเหมือนอยากให้ไฟมันไม่ร้อนเนี่ยเห็นไฟอยู่ในเตาะอยากให้มันไม่ร้อนมันสวยดีอยากไปหยิบเล่นอันนี้โง่นะเพราะมันเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจแล้วความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกละความอยากที่สารพัดอยากนะ่ะย่อลงมาคืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขหนึง่งอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์นี่เอง มุ่งไปที่ความสุขมุ่งไปที่ปฏิเสธความทุกนี่เองงั้นความอยากที่มีมากมายมหาศาลักิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดเลยนะย่อลงมาก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์แต่ถ้ามีปัญญาเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปพระอราหันต์ไม่ใช่คนเก่งกาดอะไรนะแต่พระอราหันต์คือผู้รู้ทุขกข์แจ่มแจ้งแล้ว รู้โลกสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปนามก็คือตัวทุกข์นั่นเองท่านรู้โลกคือรู้รูปนามแจ่มแจ้งแลกายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์ความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกงั้นทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมูทัยคือความอยากจะถูกละอัตโนมัติทันทีที่สมูทัยถูกละนิโรธคือพระนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตา อ, อัตโนมัติ ไม่ต้องสแสวงหาพราะนิพพานที่อื่นเลยนิพพานไม่ได้อยู่ที่วัดไม่อยู่ที่สวนสันติธรรมไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้านิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละแต่ตันหาคือความอยากนะมันปิดบังตาของเราตาของใจทำมาจากสุขของเราถูกปิดบังด้วยตันหามันก็เลยไม่เห็นนิพพานซึ่งมีอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้ว งั้นพนยายามมารู้ทุกนะมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเรียนแล้วเรียนอีกไปเรื่อยๆบุญบา ร, รมีมากก็อาจจะแค่วันเดียวบรรลุพระอรหันต์เห็นความจริงของกายของใจเต็มร้อยละบุญน้อยหน่อยอาจจะสามวันเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะบุญบา ร, รมีน้อยกว่านั้นก็อาจจะเจ็ดชาติภาวนาไปเรื่อยๆยุติธรรมนะ ใครทำถูกต้องทำมากถูกต้องก็ได้ผลเร็วได้ผลมากขี้เกียจไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลไม่ทำเหตุก็ไม่ได้ผลทำเหตุก็ได้ผลเหตุที่จะทำให้เราได้เนี่ยนะคือรู้ลงมาเรียนรู้ลงมาในกายในใจเนี่ยคือตัวปัญญานน่เองพระพุทธเจ้าสอนนะบอกบุกคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา ปัญญานี้ไม่ใช่ความฉลาดอย่างโลกโลกนะโกงเขาได้มีปัญญาไอ้นั่นโง่นะโกงเขาได้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็จะเดือดร้อนกนะิเลส จ, จะยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นปัญญาจริงๆก็คือการรู้ทุกนั่นเองนะรู้ความจริงของทุกขนะ์พอรู้ทุกข์แจมแจ้งมันก็ละสมุทยัยมันก็เข้าไปแจมแจ้งเข้าไปสัมผัสเข้าไปถึง นิโรธคือตัวนิพพานแล้วในขณะที่สัมผัสอนิพพานนั้นอริยมรรคเกิดขึ้นมรรคก็เจริญขึ้นอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามกายใจหน้าที่ต่อรูปนามกายใจคือรู้สมุทัยคือตัวความอยากหน้าที่ต่อความอยากคือละเสีย ตัวนิโรธคือนิพพานหน้าที่ตอนนิโรธคือการเข้าถึงเข้าไปสัมผัสเข้าไปเข้าให้ถึงเข้าไปเห็นไม่ใช่ทานิพพานให้เกิดนะนิพพานไม่มีเกิดนิพพานไม่มีดับสิ่งใดเกิดสิ่นั้นจะดับนิพพานไม่มีเกิดมีดับมีอยู่ทนโทษนี้แหละไม่เคยหายไปไหนแต่มันไม่เห็นเองนะทุกให้รู้สมูทัยให้ละนิโรธคือนิพพานทาให้แจ้งมรคทาให้เจริญ กิจสี่อย่างเนี้ยเราจะทำเสร็จในขณะเดียวทำเสร็จพร้อมกันหมดเลยสี่อย่างเนี้ยในขณะเดียวกันเลยเมื่อไรรู้ทุกเมื่อนั้นลาสมูทัยเมื่อไรลาสมูทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่อไรแจ้งนิโรธเมื่อนั้นเจริญในมรรคงานสี่งานเนี้ยเสร็จในที่เดียวกันในขณะเดียวกันเสร็จในที่เดียวกันคือในที่จิตัวงนี้เองในขณะเดียวกันช่วงขณะจิตเดียวเท่านั้นเอง งั้นหน้าที่ของเรานะรู้ทุกไปถ้ารู้ทุกแจมแจ้งแล้วมันละสมุทัยเองมันจะแจ้งนิโรธเองนะมันจะเกิดอริยมรรคเองทำให้ได้นะรู้ทุกไปรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ได้มาก็คืออะไรบ้างอันแรกสิ้นตัณหานะสิ้นตัณหา เรียกว่าวิราคะหมดความทุกข์นะพ้นจากตัวทุกข์เป็นวิมุตตนะมีวิมุตต์มีวิราคะนะหมดความดิ้นรนของใจนะเรียกว่าวิสังขารนะสิ่งเหล่านี้มีสับหลายศับนะเมื่อเข้าไปถึงพระนิพพานแล้วก็สันติสงบสันติ งั้นสิ่งที่ไดีว่านิพพานเนี่ยมีคำศัพท์ที่สะท้อนถึงพระนิพพานเนี่ยหลายคำวิมุตติวิราคะวิสังขารสันตินี่ชื่อของนิพพานทั้งสิ้นเราจะสัมผัสพระนิพพานได้จะเห็นพระนิพพานได้เมื่อเราเห็นทุกข์แยมแจ้งไม่มีทางเลือกอา น, นที่สองนะ เพราะงนต้องรู้ทุกรู้กายรู้ใจเร้่อยๆไปรู้อย่างที่มันเป็นเราจะรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นได้ยังไงเครื่องมือที่สำคัญคือสติกัรสาัมมาสมาธิสัมมาสติกับสัมมาสมาธินี่คือเครื่องมือสำคัญนะที่จะทำให้เรารู้ทุกสติไม่ใช่สติอย่างลกโล ก, โลก จิตที่เป็นกุศลทุกดวงประกอบด้วยสติแต่สติที่จะทำให้เราบรรลุมรรคผลเนี่ยต้องเป็นสติปัฏฐานเพาะ้นตัวสัมมาสตินะพระพุทธเจ้าอาธิบายสัมมาสติด้วยสติปัฏฐานสสติที่ระลึกรู้รูปสติที่ระลึกรู้รรรนาะมกายานุปัสสนาเนี่ยเป็นตัวรู้รูปเวทนานุปัสสนารู้นาะม จิตตานุปัสสนานี่ดูตัวสังขารเป็นรู้นามธรรมานุปัสสนามีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมนะมีทั้งธรรมะที่เป็นกุศลทั้งธรรมะที่เป็นอกุศลมีธรรมะที่เป็นเหตุและธรรมะที่เป็นผลนี่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาก็คือตัวรูปกับนามอีกนั่นแหละนะทั้งรูปทั้งนามนั่นแหละนะงั้นเรามีสติระลึกรู้รูป มีสติระลึกรู้นามนี่มันมีให้เลือกตั้งเยอะรูปก็ดูได้หลายอย่างนามก็มีตั้งแต่เวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาะแล้วมีบางส่วนอยู่ในธรรมานุปัสสนารูปเนี่ยอยู่ในกายานุปัสสนาบางส่วนอยู่ในธรรมานุปัสสนาะพยายามเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของตัวเองไปมันมีให้เลือกเยอะแยะไม่ต้องทําทั้งหมด ทำมันที่เราทําได้เช่นถ้าเราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเรามีสติระลึกอยู่ได้มากๆากเราก็ใช้ร่างกายที่หายใจเนี่ยมาทํากรรมฐานไม่ได้ใช้ลมหายใจไปทํากรรมฐานนะท่านให้ใช้กายไปทํากรรมฐา น, นเราจะดูความเปลี่ยนแปลงของกายนะดูเปลี่ยนแปลงผ่านลมหายใจ เช่นร่างกายที่หายใจออกก็อันนึงร่างกายที่หายใจเข้าก็อันหนึ่งร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงเนี่ยร่างกายที่หายใจออกก็เป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจเข้าก็เป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเราจะดูกายหรือเรียกว่ากายยานุปัสสนานะแต่โดยอาศัยดูบางมุมบางมุมเช่นดูกายหายใจ ดูบางมุมของกายเนี่ยเรียกว่ากายในกายคำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาดูบางมุมของเวทนาจิตในจิตดูบางมุมของจิตแล้วรู้ทั้งหมดกายในกายเนี่ยเราแค่เห็นกายที่หายใจออกไม่ใช่เรากายที่หายใจเข้าไม่ใช่เรากายที่เหลือทั้งหมดไม่ใช่เราละไม่มีกายที่เป็นเราอีกต่อไปละหรือไม่ชอบหายใจดูกายที่ยนืนที่เดินที่นั่งที่นอนนะ เเป็นกายานุปัสสนาอย่างหนึ่งร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนร่างกายที่ยืนก็ไม่เที่ยงร่างกายที่เดินที่นั่งที่นอนก็ไม่เที่ยงร่างกายที่ยืนนะเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นแค่วัตถุวัตถุมันเคลื่อนไหวไปเหมือนหุ่นยนตัวหนึ่งวัตถุนี้มันเคลื่อนไหวมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนไม่ใช่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนรูปที่ยืนก็ไม่เที่ยง รูปที่เดินก็ไม่เที่ยงรูปที่นั่งก็ไม่เที่ยงรูปที่นอนก็ไม่เที่ยงดูไปอย่างนี้แล้วจะเห็นว่ารูปทั้งหมดไม่เที่ยงนะรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนะเป็นแค่วัตถุธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเป็นวัตถุของโลกมีธาตุของโลกไหลเข้ามามีธาตุของโลกไหลออกไปเริ่มต้นจากอสุจิกับไข่ของพ่อแม่ก็เป็นวัตถุธาตุเอามาจากของโลกนั่นเองนะผสมกันขึ้นมา ก็ได้น้ำได้อาหารได้อากาศก็ของโลกอีกเขาไปเลี้ยงให้ตัวใหญ่ขึ้นมาเพนะฉะนัร่างกายเนี่ยมันเป็นวัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วหายใจออกกินอาหารแล้วขับถ่ายนะกินอาหารแล้วไม่ขับถ่ายแล้วเป็นไงก็ตายขับถ่ายแล้วไม่กินเข้าไปอีกก็ตายอีกใช่ไหมแต่สุดท้ายมันก็ทรงอยู่ไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบคั้นจนกระทั่งมันต้องแตกสลาย บางคนมันก็แตกเพราะอุบัติเหตุแตกเพราะโรคภัยแตกเพราะมันแก่แสารพัดจะเหตุผลสุดท้ายก็คือต้องแตกสลายเนี่ยเรารู้เนีร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยหรือร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยทุกข์ที่ถูกบีบคั้นนะเต็มไปด้วยความไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถนะุเป็นก้อนธาตุเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ของเราเนีเห็นอย่างนี้นะมันจะหมดความยึดถือกาย แล้เห็นจิตใจต่อไปอีกนะจะเริ่ม ท, ที่จิตเลยก็ได้นะหรือจะเริ่มจับ ก, กายก่อนก็ได้นะแล้วแต่ความสะดวกความถนัดนะครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆนี่ยส่วนใหญ่ท่านเริ่มมาจากกายนะเดี๋ยวหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ดูลไม่ได้สอนที่กายหลวงปู่ดูลสอนเข้าที่จิตเลยนะก็ทําได้อย่างเหมือนเดียวกันนะทําได้เหมือนกันนหะ จะเริ่มจากกายหรือเริ่มจากเวทนาเริ่มจากจิตตานุปัสสนาเริ่มจากธรรมานุปัสสนานก็ลงที่เดียวกันคือเห็นความจริงของรูปนามกายใจถ้าเห็นความจริงของรูปนามกายใจแล้วก็ไม่หยุดพอไม่หยุดเหมือนก็ไม่อยากนะมันไม่ไ ม, ไม่ไม่พอใจยินดีพอใจในสุขเกลียดทุกข์มันจะหมดความดินด้นรนหมดความอยากหมดความผิวโหวยของจิตจิตก็เป็นอิสระจาก กิเลสตัณหาทั้งหลายขึ้นมามีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนไอ้ตอนอยากได้ความสุขก็ดิ้นรนหาแทบตายแล้วก็ไม่ได้นะได้มาแป๊บๆพอหลุดมือไปตอนที่ไม่ได้อยากได้ความสุขอีกต่อไปแล้วหเห็นแต่ทุกข์นะกายนิทุกข์ใจนิทุกข์นะเพราะมันวางกายวางใจมันกลับได้ความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะสุขของพระนิพพานสุขจนแทบตายเลย น้ำหูน้ำตาร่วงเลยนะว่าโอ้ยสุขอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอสุขแบบโหดโหดมากๆเลยรบบเนี่ยงันรู้ถูกนะรู้กายรู้ใจไปนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องรู้กายรู้ใจถ้ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็คือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือหมดความอยากหมดความยึดถือ หมดความดินนม้นรนเมื่อ็มา่อพ้นจากทุกเวลาพ้นจากทุกแล้วอะไเพราะว่ามันสุขจนไม่มีอะไรเหมือนเป็นความสุขที่ไม่แปรปรวนไปตามรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้า ภ, ภาธรรมารม์ทั้งหลายเป็นความสุขที่ไม่ยิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้า ภ, ภาและธรรมารมไม่ต้องอาศัยสิ่งซึ่งมันไม่แน่นอนรูปไม่แน่นอนเสียงกลิ่นรสผลถ้า ภ, ภาธรรมารมเป็นของไม่แน่นอน ถ้าเรายังต้องอาศัยสิ่งที่ไม่แน่นอนเนี่ยความสุขของเราไม่แน่นอนหรอกนี่เราจะไม่อิงอาศัยของที่ไม่แน่นอนไม่อิงอาศัยสิ่งใดในโลกจะเข้าถึงบรมสุขที่แท้จริงงั้นภาคเพียนไปนะวันนี้ยังยากอ ย, กอยู่วันข้างหน้ามันจะง่ายคอยรู้กายคอยรู้ใจไปวันนี้กิเลสยังมากวันหน้ามันจะกิเลสน้อยลง วันนี้ยังทุกมากยังทุกนานวันหน้าก็ทุกน้อยลงทุกสั้นลงจนกระทั่งสิ้นทุกใครทำใครไดนะ้แต่ต้องทำให้ถูกนะไม่ใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างวิธีสนองตัญหาอย่ใช้ไม่ได้วิธีปฏิเสธตัญหาก็ใช้ไม่ได้นะแต่วิธีรู้ทุกเนี่ยจนกระทั่งละตัญหาอัตโนมัติตนะึงจะใช้ได้ไปกินข้าวไป ไม่กินแล้วจะทุกข์อีกแล้วแล้วทุกข์แล้วก็โทสะจะขึ้นหลวงพ่อเทศน์ไม่รู้จักเลิกนี่หมดครับ